เทศนาแผานที่76ระดับที่3โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำร้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่17พฤษภาคม2558มีชื่อเรื่องว่าฝึกเอาชนะใจให้ได้ วันนี้เป็นวันที่17พุทจภาคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน6เป็นวันพระใหญ่เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อให้พุทธนาฏายาจโฉมลูกหลานที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาควรจะมีพิธีกรรมพิธีการรักสมทาน5อย่างน้อยก็เป็น แบบฉบับก็เป็นตัวอย่างได้เรียนรู้เรื่องวิธีการไหว้พระและกสมาทานศีลอาราธนาศีลอย่างไรจากนั้นครูบาอาจารย์พระสงฆ์อย่างหลวงพ่อนะก็จะให้ศีลพวกเราจะก็จะสมาทานศีลต่อไปแต่ก็ทำความเข้าใจกับคณ า, าธายาตโยมโลูกหลานอีกเหมือนกัน บางทีจะมาติดแต่พิธีกรรมพิธีการอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนะนััทาญาติโยมลูกหลานนะถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้มามาวัดไม่ได้มาทานศีลกับครูบาอาจารย์พวกเราก็เลยเไม่มีศีลเลยทั้งพบทั้งชาติทว่าเราไปนะสถานที่อื่นไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้นำ ไม่ได้มาไหว้พระใช่ไหมไ ม, ไม่ได้มารักษาศีลสมาทานศีลอย่างนี้พวกเราก็เลยปล่อยปะละเลยห่างเหินไม่มีศีลไปเสเลยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกนะลูกหลานติดพิธีกรรมพิธีการอันนั้นบอกติดพิธีการพิธีกรรมสาสนาพิธีจนเกินไปแต่ตามไม่จริงศีลของพวกเราเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยวันนี้ละ่ะรู้จักว่าวันที่แรมสิบห้าค่ําเดือนหกเนี่ยแหะ พวกเราตื่นขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้ใส่ใจในบุญในกุศลพอตื่นขึ้นมาเราก็ไหว้พระต่อแต่เช้าเลยอรหังสวากาโตสุปฏิปันโนธรรมวัดเชา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จมาทานศีลห้าเลยเออวันนี้เป็นวันพระเดือนหกดับเดือน เ, ออเดือนเดือนแต้มสิบห้าค่ำเดือนหก เ, เดือนห้าดับเพราะนั้นเราจะ รักษาศีลห้าหรือเราจะสมาทานศีลอุโบสถวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพราะเป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้ า, าหรือว่าพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า่ทั้งในอดีตจนถึงมาปัจจุบันอย่างข่าพระเจ้าเนี่ย่าพระเจ้าจะรักษาศีลห้าศีล อ, อุโบสถตลอดทั้งวันทั้งคืน วันนี้เพียงแค่นี้ละเป็นศีลนะนะกรัตถายาโยมลูกหลานไม่ต้องสมามาสมาทานกับพระแต่ถ้าว่าเมื่อมีโอกาสได้มาทำบุญอย่างนี้ได้มาสู่วัดวาศาสนาอย่างนี้พวกเราก็เออทำพธิธีร่วมกันรวมกันว่าวิธีกรรมพิธีการศาสนพธิธีในการสมาทานจิล น, นี่ทำอย่างไร พวกเราก็ได้มาร่วมกันทำสมาทานอย่างที่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำนี่แหละอันนี้คือศาสนาพิธีถ้าหาว่าพวกเราทำอย่างนั้น ว, ว่าวิรัจเจตนาเอาเจตนาของเราเป็นที่ตั้งจากนั้นเราก็รักษาศีลเพราะนั้นเราไปอยู่นัสถานที่ใดอยู่ในที่ทุกข์ที่ยากลำบากอยู่ในภูผาป่าไม้อยู่ในต่างประเทศได้อยู่ในที่ใดๆเราก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็สมาทานศีล ศีลน่ะแหะจะคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้สงหองการสมาทานรักษาศีลศีลจะคุ้มครองพวกเราถ้าว่าพวกเรามีความทุกข์อกทุกใจหรือว่ามีความไม่สบายใจสิ่งไหนเราก็ร ะ, ะลึกถึงคุณงามความดีของเราทานศีลภาวนาของเราในละสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาทํากิจใจให้พวกเราได้รับความสุขเย็นใจถ้าหากว่าบาปกรรมนั้นไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไปก็ เจือจางหายไปเพราะเรามีเป็นผู้มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเรามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็ระลึลกถึงคุณงามความดีคือศีลทานภาวนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือว่าพระคุณทั้งหลายก็จะคุ้มครองจิตใจของพวกเราเพราะพวกเราไปอยู่นสถานที่ใดมิไคิดดีทาดีพูดดีความดีนั่นแลจะคุ้มครองพวกเราเพราะนั้น วันนี้ก็เป็นวันพระวันหนึ่งพวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนาก็ควรจะมีาศาสนพิธีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเ่าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีตะนาะขันนี้นะอันนี้นะคณะสัทธ า, า, าญาิโยมลูกหลานตั้งใจสมาทานศิณะนะโมตัสสะปะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม วันนี้เป็นวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2558เมื่อวานพระมหาเทระเกจิชื่อดังาทางภาคของเราคือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาท่านได้ละสังขารรู้สึกว่าทางวิทยุโทรทัศน์ข่าวต่งตางๆออกระดมออก อ, อย่างมาก แต่หลวงพ่อคูณท่าน พ, บบาา พ, าพูดแบบภาษาพ่อคุณรามพูดแบบภาษาพ่อคุณรามกูมึงฮะท่านก็เป็นผู้มีธรรมนะท่านบอกว่ากูเนี่ยพูดภาษาไม่ได้มากเทศไม่ได้พูดไม่ได้กูพูดไม่เก่งแต่กูแนะนําให้สูงทั้งหลายละซื่ทอทำดีหลวงพ่ พ่อคูณบอกว่างั้นนะให้สูละชั่วทำดีนะในหลวงพ่อคูนหลวงพอว่ออื้ถึงจะพูดสองคำละชั่วทำดีเพียงแค่นี้แหละ เ, เป็นสิริเป็นมงคลสำหรับผู้ดได้ยินได้ฟังเพราะเหตุไรเพราะชั่วนั้นคืออะไรดีนั่นคืออะไร เ, เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาละทีนี้ คำไหนคว่าดีอันไหนเป็นว่าชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอันนั้นเกิเพราะว่ า, วาสิ่งที่มันไม่ดีคิดดีทำดีพูดดีอันนั้นก็คือเป็นบุญเป็นกุศลจากนั้นท่านก็ทำพินัยกรรมไว้แต่จะชัดเจนยังไงหลวงพ่อก็ได้ยินข่าวตามที่สัทยาติโยมพูดให้ฟังบอกว่าท่านทำพินัยกรรมตั้งแต่ปีส3สา แปลว่าก่อนหลวงตานะ่ะหลวงตาในปีสี่แปดนะหลวงตาทําพิธีกรรมอ่าให้พวกเราก่อนที่ท่านจะจากไปทําอย่างไรเออันนี้หลวงพ่อคุณว่าปีสายสี่สามท่านเอาเอ า, เอาสรีระของท่านตายในวันนะั้นเอาขึ้นมาที่สีนครินเ่แต่หลวงพ่อก็แปลกใจเหมือนกันนะทำไมไม่ท่านจะไม่สั่งไปที่โคราชดจะไปอยู่ใกล้บ้านของท่านท่านสั่งมาสีนคริน บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเอามาสีนครินประมาณสามสีทุ่มจากนั้นให้มาเป็นอาจารย์ใหญ่จากนั้นเมื่อเสร็จเป็นอาจารย์ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะประชุมเพลิงหรือพระราชทานเพลิงเพราะท่านเป็นเจ้าคุณาจากนั้นท่านก็ยังสั่งว่าเอาไป อ, ธ, อธิธาตุกระดูกของท่านไปลอยมปน้ําโขงนะโอ้รู้สึกว่าลวงพ่อคุณในท่านอาน่านับถือจิตใจเด็ดเดี่ยว สมที่ท่านสมที่ท่าน เ, เป็นพระเกจิแล้วก็เป็นพ่อใช้ภาษาพ่อคุ้นลามจริงๆฮะ อ, อันไหนก่อนท่านพูดพูดง่ายง่ายแต่เข้าใจง่ายเข้าใจชัด <c oughs> หลวงพ่อยังนำมาพูดให้กับลูกกับหลานได้ฟัง เ, เขาว่าเนี่ยเหรียญหลวงพ่อเนี่ยจุดที่หน้าวัดเนี่ยเกลื่อนไปหมดเลย เป็นของจริงและเป็นของปลอมอลูกศิษย์บางคนที่มาจากถิ่นไกลจะซื้อเอาเหรียญหลวงพ่อก็อไม่รู้ว่าจะหลวงพ่อได้ปลุกเสกหรือเปล่าได้ทำขึ้นมาหรือเปล่าก็เลยไม่มั่นใจามาถามท่านหลวงพ่อครับเหรียญของหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าที่อยู่ในหน้าวัดหลวงพ่อคูณก็ตอบว่ามันเป็นรูปกู๋อเล่ เป็นน่นแหละลุง ป, ปู่เป็นลูกลุง ป, ปูค่คนเอ้ยถ้าเป็นลูกูัมันจริงทั้งหมดนั่นแหละหลวงพ่อคูณว่านะเออเมื่อก็ใช่ใช่ไหมละ่ะจะเป็นปลอมได้ยังไงพอเป็นลูกหลวงพ่อคุณใช่ไหมเอออันนี้หลวงพอ่อเออใช่ใช่ใช่หลวงพอ่อเออแล้วก็ถามอีกว่าเหลวงพ่อคุณหลวงพ่อครับทําไมเอารถมาเจิมกับหลวงพ่อแล้วอทําไมมันยังพลิกความอยู่เอ้ยสู้วิ่งเร็วขนาดไหนเหล่ะ ก็ร้อยกว่าแล้วโอ้ยขนาดมันเกินเก้าสิบไปแล้วกูกระโดดลงรถแล้วกูไม่คุ้มค้องแล้วหลวงพ่อคูณว่าเอออันนี้พวกเราก็จำเอาฟังเอาไว้นะจะเป็นลูกกูบาอาจารย์องค์ไหนก็เถอะกูบาอาจารย์ก็กลัวเหมือนกันนะถ้าวิ่งรถเร็วๆนะนี่แหละคือคำเหล่านี้ถึงจะพูดทีเล่นทีจริงแล้วพูดยังไงก็คำว่าท่านคาว่าจะยิ้มเนะ่ไม่มีแล้วนะหลวงพ่อคูนท่านพูด พูดแล้วก็แล้วไปทำท่าเฉยเป็นขังขังอีกต่างหากนะเนี่ยหลวงพ่อเห็นแล้วก็โอ้เนีเป็นคําที่นํามาคิดผู้ที่จะใช้รถใช้ถนนเพราะถนนไม่ใช่ของเราคนเดียวการที่จะไปจะมาที่ไหนรีบเร่งไปเพื่ออะไรต้องระมัดระวังเพราะคนมาใช้ถนนอ่ะไม่ใช่ว่าคน สติสัมปชัญญะดีทีเดียวบางทีก็บ้าบ้า บ, าบองๆองอารมณ์สุนเชียวบางทีก็กิกนเหล้าเมาบ้างบางทีก็เป็นบ้าเป็นบอ่บางทีก็ตาไม่ดีหูไม่ดีมันมีเยอะแยะไปที่มาใช้ถนนเพราะฉะนั้นเราเป็นคนคนนึ่งเราก็ต้องระมัดระวังของเราอย่าให้เฉียวอย่าให้ชนไปด้วยความระมัดระวังต่างคนต่างระมัดระวังในการใช้ถนนมันก็เปลี่ยนอย่างหวงพ่อ หลวงพ่อคูดพูดนั่นแหละพนันให้ข่าวนี้กับหลวงพ่อท่านก็จากไปเสียแล้วจากไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2558รอาพระเกจิชื่อดังของภาคอี ส, สานของพวกเราแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปกราบไปไหว้ท่านหรอกแต่ได้ยินแต่กิจศัพท์ของท่านก็ท่านเป็นผู้ง่ายๆผู้ง่ายๆทำง่ายๆอย่างที่ พินัยกรรมของท่านอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น เ, เมื่อก่อนหน้านี้กันหลวงพ่อทองพูลวัดภูกระแตอันนี้ก็แปดิบกว่าปีแต่ฟังดูระหว่าหลวงพ่อคูณมันเกปีอะไรห <c oughs> ลวงพ่อก็จาไม่ชัดนะเขาเข า, เาพิมพ์ลงในประวัติของท่านนะแต่ถึงยังไงก็ตามไม่ว่ายุคใดสมัยใดพระพุทธเจ้าก็คือธาตุ สี่ดินน้ำลมไฟหลวงพ่อโขูนก็เหมือนกันร่างกายของท่านก็เป็นธาตุสีด่ดินน้ำลมลมไฟหลวงพ่อทองพูลผูลกกระแตอำเภอบึงการของเราก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะเป็นหลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นก็ตามธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายของท่านเสมอภาคกันกับพวกเราท่านทั้งหลาย ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีจากมรณะภัยไปได้ไปในแถวในแนวแถวเดียวกันอันนี้หลวงพ่อไม่ได้เอาความตายและว่าความหายนะมาพูดให้พวกเราฟังเพียงแต่เป็นผู้ชี้นำบอกกล่าวว่าร่างกายสังขารของพวกเราเนี่ยไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้เพราะธาตุสี่ พระพุทธเจ้าพระหันตสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนก็หล่งไหลไปตาม <c oughs> ขั้นตอนคืออันเกิดมาแล้ว ก, ก็แก่เจ็บตายในที่สุดแต่ความแตกต่างกันของของแต่ละคนแต่ละท่านพระพุทธเจ้านท่านได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันไหนที่ท่านได้ตัดรู้ก็คือพระไทยใจของท่าน รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเมื่อท่านรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมใจของท่านเป็นผู้มีธรรมร่างกายของท่านก็เป็นผู้มีธรรมศรัทธาญาติโยมพุทธเจ้บริษัทบริษัทบริวารท่านก็เป็นธรรมพวกที่เกี่ยวข้องกับเป็นธรรมวัดวาศาสนาของท่านก็เป็นธรรมเพราะว่าใจของท่านเป็นธรรมพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านหน่อใจของท่านบริสุทธ เมื่อจิตใจของท่านบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์วัดของท่านกับเป็นวัดพระอรหันต์ศรัทธาญาติโยมของท่าน เ, าเข้าไปกราบไปไหว้ท่านก็คือาาจัท้าญาติโยมของพระอรหันต์พระใจของท่านเป็นพระอรหันต์กายของท่านก็เป็นพระอรหันต์นี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านให้ความความสคัญเรื่องของใจมากกว่าอย่างอื่น เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมพวกเรามา สู่วัดวาศาสานาอย่างวันนี้แนหะพวกเราก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีการศึกษาเพื่อเพื่อจะให้ใจของเราบริสุทธิ์หลุดพน้นจิตใจของเราเป็นจิตใจดีที่ดีคิดดีในเมื่อคิดดีแล้วการกระทําออกไปก็กต้องทําดีการพูดออกไปก็ต้องเป็นคนที่พูดดีเพราะเหตุไรเพราะใจของเราได้ศึกษาใจของเราได้ รับการศึกษาเป็นใจที่ดีใจที่มีธรรมในจิตใจเพราะนั้นที่พวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาอย่างนี้ก็ามาอบรมทางด้านจิตใจทำให้จิตใจของเราเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ผิดรู้ถูกรู้สิ่งควรไม่ควรเพราะว่าพวกเราจะรู้เรื่องต่างๆได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ศึกษา ถ้า พ, พวกเราไม่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพวกเราจะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นที่เข้ามาสู่วัดแต่ละวัดแต่ละวั น, นเพื่อมาได้ยินได้ฟังจากเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ศึกษาในเรื่องที่เราอยากจะรู้และจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราเป็นคนดีในเมื่อเป็นคนดีเราอยู่นสถานที่ใด คนนั้นก่อดีคนนี้ก่อดีต่างคนก็ต่างมีดีด้วยกันโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าหากว่าคนไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจคิดอะไรมีแต่คิดอยากจะได้โลภอยากจะได้ของเขาคิดอะไรมีแต่พยาบาทปองร้ายเขาคิดอะไรมีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับเขาเห็นเขาได้ดีนิดๆหน่อยๆล้าหน้าตัวเองไม่ได้อิจฉาเขา ตัดแข้งตัดขาเขาจะทํำยังไงถึงจะเบียดเบียนเขานี่แหละใจจะได้ว่าใจเป็นอกุศลใจเป็นทางปากใจเป็นมิตรสาธิติให้พวกเราดูใจของตอนเองนะเพราะฉะนั้นเราอยู่นสถานที่ใดเห็นผู้ใดได้ดีเราก็มีแต่โนโมทนาเว้นใสเว้นเสียแต่ว่าเขาได้ดีเพราะอะไรเขาไปขายยาบ้ามาใช่ไหม เขาไปป้นไปจี้ไปคดไปโกงมาใช่ไหมอันนั้นเราไม่แสดงความยินดีเพราะเขาไปทำความชั่วได้ได้วัตถุมาเราตำหนิการที่จะกระทาอย่างนั้นไปทำได้ยังไงทำให้คนอื่นเดือดร้อนและก็ตัวเองได้รับความสุขมันไม่ไม่ถูกต้องอันนี้ถ้าว่าเขาไปในทางใช้ได้มาในทางที่ผิดเนี่ยเราก็ต้องตาหนิเราไม่เข้าไปคบค้าสมาคม เราไม่เข้าไปแสดงความยินดีด้วยอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาได้มาน้ได้มาโดยไม่เป็นธรรมเดือดร้อนคนอื่นซะก่อนแล้วจึงค่อยได้มานี่แหละอันนี้ก็คือคิดไม่ดี เ, เป็นมิจฉาทิฐิแต่เราก็ต้องเลือกอีกเหมือนกันเพราะนั้นถ้าตัวของเราเองเน่ข้าพระเจ้าเองเมื่อรู้แล้วว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควร เราก็พยายามถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซนตเพราะพวกเราโดยมากมันถลํมไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็พยายามประกอบคุณงามความดีประกอบบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราในเมื่อพวกเราพยายามทีละน้อยละน้อยความชั่วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่จิตใจของของเราได้ ต่อไปใจของเราก็ห่างเหินจากความคิดที่มันเร็เวๆชั่วๆเราก็ประกอบแต่คุณงามความดีเมื่อประกอบคุณงามความดีบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจนะครับท่านสาธายาตโยมลูกหลานทุกคน น, ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจ <c oughs> ออกมาจากใจทั้งหมด ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นที่พวกเรานั่งมานั่งสมาธิก็ให้มานั่งดูใจของตนเองหลักธรรมคำสอนให้มานั่งดูใจไม่ใช่นั่งที่อื่นนะพวกเราจะเข้ามาบวชกว็ดีจะเป็นม า, มาเป็นนาค ก, ก็ดีมาเป็นพระนวกกะพระน้อยพระหนุ่มก็ดีเข้ามาบวชเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นนะเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่น เห็นหมูบวชก็บวดตามหรือ ก, การเป็นอยู่ก็อยู่ตามไม่ใช่เรามานั่งมาอยู่ในวัดเนี่ยเราดูมาดูใจของตนเองใจของเราคิดเรื่องอะไรนี่แหละที่เราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าไปนู่นไปนั่งอยู่ที่แม่น้ำฝั่งแม่น้าอนุมานาทีบําเพ็ญตปะอยู่ทั้งทั้งหกปี ทำไมพระพุทธองค์ชนะวันที่จะชนะกิเลสของพระองค์แต่แตกอนก็คงจะย่ำแย่เหมือนกันนะพยามาลเสนามานาที่เข้ามารบกวนนางตันหาราคะอรดนะีมารบกวนไม่รู้ว่ากี่ครั้งตกกี่หนแต่วันที่พระองค์จะชนะพยาบาลนนะ่นดูซิมีพยาบาลเข้ามา ลังแกลังควานจากนั้นก็ปล่อยนางราคาอรารดีตันหาอรารดีเข้าม า, ามารบกวนพระองคอ์จนพระองค์ได้ตั้งจิตอธิษฐานแ น, แน่วแน่จึงเป็นน้ำพระทัยให้ว่านางธรณีปิดม่วยผมให้เป็นน้ำท่วมพยามาลเสนามมนกระจุยกระจายหนีไปหมดพระองค์เป็นผู้ชนะ ชนะมารพร้อมกับเสนามารเรามาพิจารณาดูอนะันนั้นเป็นปุกราธิฐานแต่ถ้าว่าเป็นธรรมมะของพระพุทธเจ้าคือพระองค์นั่งสมาธิภาวนานะกิเลสราคะโทสะโมหนะเนี่ยเขามารบกวนพระไทยใจของพระองค์จนพระองค์จนหาความสงบสุขไม่ได้จิตใจเป็นทุกข์ทุกข์กับเรื่องราคะโทสะโมหะในในใจอย่างนั้นพระองค์ก็ตั้ง จิตอธิษฐานให้แน่วแน่ข้าพเจ้าจะไม่หลงไหลมัวเมากับเรื่องโลกโกรธหลงราคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกามราคะเจึงนางตันหาราคะอรดนะีที่มาลกกวัญจันพระองค์พระไทยใจของพวกเอาชนะกิเลสภายในพระไทยที่โครนต้นโพนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนพระพระทุทธเจ้าที่ท่านหนีออกจากเวียงวัง ไปอยู่ตามลำพังถึง6ปีขนาดนั้นกิเลสตัวนี้ยังไปรบกวนหลังควานเพระพุทธองค์อยู่จนผลสุดท้ายพระองค์ก็รู้ต้นปลายสาเหตุจากนั้นพระองค์ได้ชําระออกไปจากใจของพระองค์ทั้งหมดเลยเอาชนะใจของพระองค์ได้เพราะนั้นผู้ใดก็ตามเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพวกเราอย่าไปคิดนะบอกพระในะอยู่สบาย ได้สบายจริงอยู่แต่ภายนอกไม่ได้ทำอะไรแต่ท้าว่าพระที่แท้จริงแล้วท่านจะต้องสู้ภายในใจของท่านเอเอเดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะตัวไหนนี่แหละตัวนี้มันหนักมากจริงๆาบางทีเนี่ยอยู่เฉยๆก็ร้องห่มร้องไห้ก็มีทั้งเยอะแยะไปแต่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตามให้จริงท่าว่ามีทำในใจนะ ถ้าว่านได้ศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วน่ดูเข้ามาหาใจเลยนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกปุ๊บพอจิตนิ่งดูเลยดูตัวผู้รู้คือใจเดี๋ยวนี้ใจเราคิดเรื่องอะไรคิดทางดีและคิดทางชั่วคิดไปในทางไหนมันว้าวีอ้างว้างมันอยากจะเที่ยวมันอยากจะเตะมันอยากจะออกนอกลูก่นอกทางอยากจะร้องราทาเพลง อย่างงั้นใช่ไหมถ้าเราดูเข้าไปเราเราจะรู้ใจของเราเองมันคิด น, นึกเรื่องอะไรทั้งที่มันไม่ร้องเพลงออกทางทางเสียงปากแต่มันก็ร้องเพลงในใจเพราะเหตุอะไรเพราะกิเลสกิเลสผักดันอยู่ในจิตในใจของพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนะี่ยที่เข้ามาบวชคือให้มาดูใจสังเกตใจรับรู้เรื่องของใจเอาชนะเรื่องใจตัวผู้รู้เนี่ยนี่แหละ ไม่ใช่ของง่ายนะพูดพูดง่ายๆแต่พอปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ของง่ายหลวงตามหาบุตท่านยอมรับเลยว่างานทางโลกที่เราทํามานั้นอนะ่ะไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งในการที่จะเอาชนะใจของตนเองเอาชนะตัวผู้รู้ตัวสํานึกผิดถูกชั่วดีในจิตในใจของเรา เ, เอาชนะใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากหนักมากไงเพราะฉะนั้นให้พวกเรา ลูกหลานพระเนนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหลานะ่เาเนี่ยการเข้ามาบวชเธอจะเป็นพระที่ดีแล้วจะต้องดูใจของตนเองจะต้องมีสมาธิในใจใจคิดยังไงแต่ละวีแตละวันแต่ละเวลาเอาชนะใจของตนเองให้ได้นั่นก่อนที่จะเอาชนะตัวเองให้ได้ใจชนะใจให้ได้นั่นคืออะไรก็คือนั่งสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพนิยานจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้นำ แนวแถวนั้นแหละมาสั่งสอนสิทธิข์ของพวกเราท่านทั้งหลายาให้นั่งสมาธิเนะกาหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักเนอบริกรรมพุทโธด้วยเนอเพื่อจะไม่ให้ไม่ให้มันหลงมันลืมได้ง่ายต้องสำทับพุทโธเขาด้วยในเมื่อเราตั้งใจจริงๆพุทโธพุทโธมันจะคิดคิดไปดูสิมันคิดมันได้อะไร เ, เราไม่ให้มันคิดดูสิเป็นยังไง เราจะดูเลยสิพุทโธพุทโธ บ, บังคับนี่นแหละเมื่อใจของเราอยู่กับพุทธโธใจของเราเสงบเยือกเย็นลงไปแล้วนั่นแหะนันตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอยู่เกิดกับพวกเราท่านทั้งหลายนะคณะทศัาทายญาติโยมพระเนรลูกหลานเนะ้อวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อก็ได้พูดเรื่องกฎระเบียบหรือว่าวิถีทางแนวความคิด ของพระพุทธศาสนาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนาทตเนอรนะ